ตายเมื่อตายนั่นแหละกลายไปเป็นผีตายไม่ดีไม่ยอมตายนั้นตายโหงตายทำไมเพียงเพื่อให้เขาใส่ลงตายโอถงนั้นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลาย ไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายเพราะหมดเกิดเลิศนักแปลคคำพูดนี้ผันผวนชวนชงนเหมือนเล่นลิ้นลาวล คนตอแหลแต่มันเป็นความจริงอันไม่ผันแปรใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยท่านพุทธทาสพิขุ การจเจริญสติคือทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ว่าท่านจะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์เราก็ควรจะมาตั้งหลักที่จิตใจของเราโดยการมีสติอยู่กับการดาเนินชีวิตคนที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยเขาก็จะมีสติอยู่เสมอ อันนี้หลักคือชีวิตส่วนคนที่มีความทุกข์เป็นเพราะว่าขาดปัญญาขาดสติที่จะมากากับจิตใจตัวเองถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการมีสติด้วยการมีปัญญาชีวิตก็จะปลอบลงโล่งเบา ไม่หนักไม่เครียดเพราะฉะนั้นถ้ า, าว่าเรารู้ตัวว่าเรายังมีความทุกข์อยู่ยังแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เราลองมาทากิจกรรมชนิดหนึ่งคือการมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยนี่แหละคือทางเนินไปสู่ความ ก, การเจริญสติก็คืออารเอาสติของเราเนี่ยไปตั้งเอาไว้ที่กายที่ใจอีริยาบท ย, อย่อยๆของเราเล็กน้อยนี่แหละช่วยปลูกสติให้ตื่นขึ้นมาได้เราลองมาเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆช้าๆแล้วก็เจตนาใส่ความรู้สึกตัวลงไปในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหว เจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกตัวเดี๋ยวเราลองมาทำตรงนี้ก่อนเอากายมาเป็นฐานที่ตั้งของสติอาจจะมาระ ล, ลึกรู้ลงไปที่ลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็ให้มีสติเข้าไปรู้รู้เบาๆอย่าไปพิง อย่าไปจ้องเมื่อเราเคลื่อนไหวกายก็ดีหรือมาลุ้ยลมหายใจก็ดีเนี่ยถือว่าเอาส่วนเนี้ยส่วนที่เคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นฐานที่ท่าของสติแล้วการระ ล, ลึกรู้ลงไปที่กายเคลื่อนไหวอย่ารู้แบบจี้นะให้รู้แบบแยกๆรู้ห่างางรู้เบาๆวางใจเป็นกลาง ไม่ต้องคิดอะไรตอนนี้เราไม่ต้องการจะคิดอะไรเราต้องการจะมีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเป็นปัจจุบันความคิดเนี่ยเราไม่ต้องไปเจริญหรอกครับเราจเจริญมามากแล้วเราคิดมามากแล้วเพราะเป็นสัญชาติญาณของชีวิตเราแต่เราควรจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เรามาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนชอบคิดมาเป็นคนชอบรู้สึกตัวบ้างแม้กระทั่งเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ลองมาทําความรู้สึกตัวซ้อนความคิดลงไปเลยเมื่อมันคิดเราก็รู้เมื่อมันไม่คิดเราก็รู้อีกมีแต่รู้แล้วก็รู้ไปเรื่อย ไม่ใช่รู้คิดแต่เป็นความรู้สึกตัวด้วยสติเราอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดกับการปฏิบัติบางครั้งเนี่การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไปมาในแนวหลวกพ่เทียนก็ตามหรือแนวไหนก็ตามเราอาจจะไม่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนใจเราก็จะปฏิเสธแล้ะอันนี้ไม่ใจธรรมะมาก หลวพ่ทิเจ้าไม่ได้ตัดสรุปเรื่องนี้แล้วมั้งครูบาอาจารย์เราไม่เคยสอนแบบนี้อาจารย์องค์นู้นว่ายังไงองค์นี้ว่าอย่างไงใจเราคิดแหละคิดแบ่งแยกเริ่มต้นก็ผิดซะแล้วเรามาเจริญสติไม่ใช่เจริญความคิดลองเปิดใจให้กว่ามีคําคําหนึ่งคํามักจะบอกก็ว่าอันนี้ไม่ใช่ จริตของเรามันไม่ถูกกับจริต ข, ของเรานะั่นแหละจริตของเรามันคืออะไรบางทีคือกิเลส ก, ก็ได้มันถูกจริตของเราไหมก็คือถูกกิเลสของเรานั่นเองเราลองเปิดใจให้กว้างลองทําดูตรงไหนก็ตามที่เราปฏิบัติหรือระ ล, ลึกลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดสติเกิดตัวรู้นั่นแหละ คือธรรมะตัวรู้ไม่ใช่จริตตัวรู้ไม่ใช่ความถูกต้องตัวรู้ไม่ใช่ความผิดเนี่ยคือความรู้สึกตัวเนี่ยมันอยู่เหนือเหนือเหตุเหนือผลเหนือถูกเหนือผิดเหนือบุญเหนือบาปเหนือเกิดเหนือตายใช่เพียงแค่เรารู้เฉยๆว่ามันกำลังเคลื่อนไหว รู้เจ๋ยว่ามันกำลังคิดตัวรู้นะคือตัวเห็นเห็นมันเคลื่อนหรือว่าเห็นมันคิดเห็นมันทุกข์เห็นกายเห็นใจนี่แหะคือเห็นธรรมธรรมะเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ่งที่เราเห็นนั่นเองแล้วใครเป็นผู้เห็นเรามันไม่ใช่เรานะ มันคือสติสัมปชัญญะนั่นเองเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่เห็นเป็นตาภายในซึ่งไม่มีใครก็เห็นด้วยกับเราหรอถ้าทธาเท่านั้นเป็นผู้ที่เห็นธรรมธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราอะไรเล่าที่เกิดขึ้นในกายในใจเราคือความทุกข์ไง ผู้ที่มีตาภายในคือตาอยความบรรู้สึกตัวเนี่ยจะเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยกายที่เคลื่อนไหวนี่แหละคือตัวทุกข์มันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้าแล้วมันก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้า ลมหายใจคือตัวทุกข์มันต้องเข้าแล้วก็ต้องออกเห็นไหมทุกปรากฏชัดต่อหน้าต่อตาเป็นปัจจุบันเราเห็นไหมนั่นคือทุกเห็นทุกคือเห็นธรรมเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ได้อย่างไรอันนี้แนะ่ะคือปัญญาคือส่วนสำคัญกายทุกข์ใจเราจะเกี่ยวข้องอย่างไรทุกบางอย่าง เราเกี่ยวข้องแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราเพียงกําหนดรู้ไว้เช่นความแก่ความตายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราแก้ไขไม่ได้เราเพียงแต่รับรู้รับทราบไวเ้เฉยๆทุกบางอย่างเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการ แก้ไขเยียวยาเช่นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายความปวดความเมื่อยเราแก้ไขด้วยสติอาศัยอุปกรณ์ภายนอกช่วยเหลือบ้างอันนี้คือส่วนของร่างกายแต่ทุกบางอย่างเนี่ยเราต้องละ เรารู้เราตรงหลักเราแก้ไขไม่ได้แต่เช่นทุกใจเนี่ยเจ้าความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นในใจิตในใจเราจะแก้ไขความโกรธได้อย่างไรไปทำความโกรธให้มันหายโกรธหรือเราจะฆ่าคนได้ทั้งโลกเลยนะถ้าเราไปทำตามความโกรธเพื่อให้มันหายโกรธทุกทางใจเกิดจากกิเลสเราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการ ทำรรมาที่ละทันทีละแล้วจิตมันก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจก็ตามคลายเป็นผู้เห็นก็คือสติสมัมปชัญญะนั่นเองเราจะปฏิเสธในความทุกข์นั้นดีแล้วเข้ามาให้เราเห็นมาให้เรารู้เห็นทุกข์คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นทุกข์ แต่เราอยากเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เราเป็นเพียงผู้เห็นเท่านั้นการสร้างสติมากๆนี่แหละเราจะได้ที่พึ่งแล้วก็ดับทุกข์ได้ในที่สุด